เพิ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเพื่อฟังธรรมะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันนี้จักว่าด้วยอิทธิบาตรทมทั้งสี่อิทธิบาตแปลว่าคุณเครื่องให้สำเร็จ สิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยแค่บุพเพนวีวะหมออันบุคคลใดเป็นผู้มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจแล้วทำการงานอะไร ก็มักจะสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีจะเป็นครืงหัสก็ตามเป็นนักบวชก็ตามผู้ที่ทำการงานต่างๆจะสำเร็จรูดร่วงไปได้นั้นต้องอาศัยคุณธรรมสี่อย่างนี้แน่นอนเลยถ้าขาดคุณธรรมสี่อย่างนี้แล้วการงานอะไรอะไรก็สำเร็จไปไม่ได้ให้พึ่งพากัน ห้องจำไว้ในใจให้ได้อิทธิบาททำทั้งสี่นะสันทัความพอใจรักให้ในสิ่งนั่นๆวิริยะเพียรประกอบในสิ่งนั้นนั่นจิตต์เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นๆไม่วางทุระวิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั่นๆ คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชันชกนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสี่ข้อนี้ไว้ท่านเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทธรรมแปลว่าธรรมั น, นี้นะจะว่ามีฤทธิ์มีเดชก็ว่าได้มีอิทธิฤทธ สามารถบันดาลให้บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมะเนี่ยนะดำเนินกิจการอะไรไปนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆนั่นแ่ะการทำงานทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันก็ต้องอาศัยความพอใจนี่นะเป็นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าไม่พอใจแนละ้วมันจะทำอะไรลนะ่ะคนเรา ก่อนที่จะทําการทํางานอะไรก็ต้องปลูกความพอใจลงในการงานนั้นแล้วก็ต้องอยู่มีโยนิโสมันนาสีการตรีทองพิจารณาเหตุผลในหน้าที่การงานนั้นนั้นเพราะเมื่อเราทําการงานอย่างนี้ลงไปสําเร็จลงแล้วมันจะได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนั้นหรือพิจารณาเห็นว่า ถ้าทำการงานอย่างนี้ลงไปแล้วผลที่จะได้รับคือความทุกข์หรือความเดือดร้อนจกไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเย็นใจหรือความเจริญทางด้านวัตถุสิ่งของอะไรหมูเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นแล้วนี่ก็ก็เว้นไม่ทำนั่นเอไม่ใช่ว่า พอแต่พอใจในหน้าที่การงานใดๆแล้วก็ไม่ต้องวินิจฉัยกันเลยลงมือทาไปเลยอย่างนี้บางทีการงานนั้นมันประกอบไปได้วยทุกข์ดโดยโทษก็มีหรือว่ามันไม่เหมาะสมก็มีอทามากได้ผลน้อยก็มีมูนี้ถ้าขาดการไข้ควรการตรีตรองแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ผลเต็ม่ม็เต็มหน่วยเลยพูดทั้งการงานภายนอกก็ดี งานทร ม, มาหาเรื่องคีพของคนผู้เกิดมาในโลกนี้นะแม่งานในวัตวาศาสนาคือการปฏิบัติธรรมการธนุบำลุงวัตวาศาสนามุนีมันก็ต้องอาศัยความพอใจในี่เกิดขึ้นแล้วอาศัยปัญญามันตรีตองพิจารณาเหตุผลในเรื่องการปฏิบัติธรรม ในเรื่องการบำเพ็ญบุญกุศลมูนี้นะก่อนที่จะลงมือทาอะไรลงไปนี่เบื้องต้นนี่เราก็ปลูกสันทะความพอใจตรงก่อนน น, นี่ยแล้วต่อไปก็ใช้โยนิโสมนัต ส, สิการตรีตองพิจารณาหน้าที่การงานนั้น <S <S <S เช่นอย่างว่าพูดถึงการปฏิบัติธรรม เอาการให้ทานอย่างนี้มันตรีตองพิจารณาว่าฉะไหน菩萨าสด า, าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททำบุญให้ทานมีจุดมุ่งหมายอะไรอย่าง น, นี้ถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วมันก็มีแต่เชื่อตามๆกันมาเท่านั้นแหละอ้าวปูย่าตายายพาธทำก็ทามาแล้วท่านว่าได้บุญก็ว่าได้บุญกับท่าน อย่างนี้นะ <c oughs> แล้วบางทีไม่รู้จักการทำบุญนั้นเพราะว่าการทำบุญนี่บางอย่างมันก็มีผลมากบางอย่างก็มีผลน้อยนี่มั น, ม, นมันไม่ใช่ว่าพูดถึงการทำบุญแล้วมันจะมีผลเสมอกันไปหมดไม่ใช่ <c oughs> ดังนั้นแหละ เมื่อเกิดความพอใจในการให้การบริจาคทานแล้วก็ต้องใช้ปัญญามีอุบายแยบคายในใจมันตรีตองพิจารณาเรื่องที่ว่าตนจะให้ทานนั่นน่ะตนจะให้อย่างไรตนจะสร้างกุฏิถวายไว้วัดวาอารามสักหลังหนึ่งอย่างนี้สร้างกุฏินนะมีประโยชน์อะไรก็ตรีตองพิจารณาลงไป เอ๋อสร้างกุติเนื่องจา ก, กว่าวัดนั่นน่ะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีมากที่วาสัยไม่เพียงพอแล้วพระสงฆ์สมณีนในวัดนั้นก็ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบไม่เป็นคนโลไม่เป็นพระเนนที่โลเลเหลวไหลตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ด, ด้วยดีกว่าเราไปปลูกสร้างกุฏิถวายให้สงเหล่านี้ อยู่อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมก็จะเกิดเป็นบุญกุศลมีอ น, นิสง์มากไม่ใช่น้อยนี่เมื่อแยกคายพิจารณาเหตุผลเหล่านี้ให้เห็นโดยแชมแจ้งแล้วมันก็จึงได้ลงมือทําบบนี้น ะ, ะฉันทะความพอใจนั้นมันมีกำลังกล้าขึ้นแบบนี้เมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นเหตุผลว่าการกระทาอย่างนี้นมีผลดีจริง อย่างนี้นะมันก็เกิดความพอใจสูงขึ้นไปอีกมีปีติในใจลงมือทาไปก็มีปีติอยู่ในใจไปเรื่อยๆบุญกุศลก็ได้อยู่เรื่อยไปบุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจเรื่อยไป <c oughs> นี่นี่บุคคลบาเพ็ญบุญกุศลเพียงขั้นให้ทานนี่ มันก็ต้องอาศัยฉันทะความพอใจแล้วก็อาศัยโยนิโสมนัสิการคือการมันตรีตองพิจารณาเหตุผลือ <c oughs> มันตรีตองพิจารณาเหตุผลในการให้การบริจาคนั้นให้มันเห็นแจ้งโดยใจของตนเองเออย่างนี้แล้วมันก็มีผลมากสิวันนี้นะทําไป ทำน้อยก็ได้ผลมากมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็เห็นไปว่าอืมก็ทำบุญให้ทานเนะี่ยเมื่อเราสละสิ่งของให้ผู้อื่นไปแล้วก็ได้บุญทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ได้บุญเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลยมองไม่เห็นเหตุผลต่างๆละเอียดละออไม่ปลุกใจให้เกิดปิติอินดีในการกระทานั้นๆน อ, อย่างนี้ ได้อยู่อกได้บุญแต่ว่าได้น้อย <c oughs> ไม่ได้มากเพราะว่าความปีติความปีติในใจนะ่มันไม่แก่กล้า <c oughs> <c oughs> การทำบุญกุศลนี่ถ้าให้มันได้ผลมากนะมันต้องมีความพอใจเต็มที่ มีปีติขึ้นในใจอย่างแรงกล้า <c oughs> เช่นนี้แหละมันถึงมีอานิสงส์มากเมัอนเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัย <c oughs> ถ้าสิ่งใดมันเหลือวิสัยแล้วมันก็ เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรลงไปแล้วมันจิตสมหวังมันจิตมันจะเป็นไปได้ทุกอย่างไปเล ย, ยไม่ใช่เ <c oughs> มื่อคนเรานะฮะมีความพอใจเป็นทุนรอนเบื้องต้นแล้วเช่นนี้มันก็ย่อมลงมือทำอลไรแบบนี้นะพากเพียนพยายามไป การกระทำความดีนี่มันก็ชอบจะมีอุปสรรคมาขัดขวางเป็นระยะระยะไปะเมื่ออุปสรรคอะไรมาขัดขวางเกิดขึ้นเราก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคอันนั้นไปหาทางแก้ไขเอาจนว่าสุดกำลังความสามารถเมื่อแก้ไขไม่ไหวแล้วนะั่นถึงว่ายุติลง น, นี่จึงเรียกว่าความเพียร เพราะว่าการทําความดีเมื่อทําไปแล้วไม่ใช่ว่ามันลาบลื่นไปเรื่อยๆนะก็ธรรมดานะดีมีอยู่ที่ไหนชั่วก็มีอยู่ที่นั้นเหมือนอย่างพื้นแทนดินนี่แหละเมื่อต้นไม้ที่มีผลมีอยู่ที่ไหนต้นหญ้าต้นศัตรูพืชนั่นมันก็มีอยู่ที่นั่นปลูกข้าวลงในนาเอาหญ้ามันก็งอกขึ้นในนาปลูกผลไม้ลงในสวนหญ้ามันก็งอกขึ้นในสวนนั่นแหละ อทีแรกนะปรับดินนี่เตียนโล่งไปหมดเลยฮรับปลูกพืชผลมากรากไม้ลงไปในดินแล้วพอต้นไมนะ้มันขึ้นไปอาย่ามันก็แทรกขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นพวกที่ทําสวนทําไร่มันจึงต้องได้ดาย้ า, ายไปเลื่อยป้องกันญ้าไม่ให้ขึ้นไม่ให้มันแย่ยงกินอาหารของต้นไม้ที่มีผล ต้นไม้นั้นจึงงดงามเจริญผลิดอกออกผลให้เจ้าของได้นี่อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเพิ่งฟ้ากันเข้าใจการกระทําความดีไม่ว่าไม่ว่าเพศใดภูมิใดไม่ว่าคารืหัดไม่ว่านักบวชเมื่อลงมือกระทําความดีเข้าไปแล้วมันต้องมีพรชั่วมาแทรกแซง ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยความภาคเปลียนพยายามขาจัดความชั่วนั้นออกไปเรื่อยๆเมื่อขจัดความชั่วออกไปได้แต่ละทีปัญญามันก็เกิดขึ้นอความเฉลียวฉลาดมันก็มีขึ้นอย่างนี้แหละก็ได้ความรู้ความฉลาดเพราะเพราะกิเลสนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าหาว่ากิเลสไม่มารบกวนใจมันก็ไม่คิดไม่อ่านไม่หาหนทางกําจัดมัน เช่นนี้นะมันก็เลยไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอะไรเลยดังนั้นเราจะไปโทษเอาว่ากิเลสนี่ไม่ดีโดยประการทั้งปวงก็ไม่ใช่ถ้าจะว่าแง่ดีมันก็ดีคือมันมาเตือนจิตเตือนใจนี่ให้ตื่นอยู่เสมอให้รู้สึกสำนึกตนว่าสมมติว่ากิเลสมันพูดได้นะมันจะพูดให้ฟังว่า ท่านนำมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงนะท่านจะได้อาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ไปไม่นานหรอกมีต่อไปวันคืนล่วงไปล่วงไปร่างกายก็ชำรุดทุดทรมไปตามกันเพราะฉะนั้นท่านอย่านิ่งนอนใจจงทาที่พึ่งให้แก่ตนไว้ในเมื่อร่างกายนี้มันยังเปิดโอกาสให้อยู่มันยังไม่แตกระับทำลาย คล้ายๆกับว่ามันมาเตือนใจอย่างเนี้ยถ้าหาว่ากิเลสมันพูดได้นะมันจะต้องเตือน <c oughs> ผู้อยู่อาศัยร่างกายอันนี้ให้รู้สึกสํานึกตัว <c oughs> ไปอย่างนั้นแต่คนผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันจกไม่มีอุบายอะไรในใจเลยสอนใจตัวเองก็ไม่เป็นอื <c oughs> ทําความเพียรไม่ทราบทำยังไง <c oughs> ไม่รู้จัก ความหมายแห่งความเพียรความเพียรก็หมายความว่าเพียรพยายามมีสติสัมปชัญญะประจำอยู่ที่กายวาจาใจนี้เสมอคอยระมัดระวังอย่าให้ความชั่วมันเกิดขึ้นในจิตใจถ้าเผลอไปหากความชั่วอย่างใดหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจก็รีบกำหนดละมันไปทันทีเมื่อละครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้ เอาก็ต่อไปก็เพียนละมันไปอีกละมันไปเรื่อยๆจนเรามาลรังงับไปอย่างนี้นะ่ะจึงเรียกว่าความเพียนปล่อยผ่านเข้าใจผู้ไม่มีความเพียนหมายความว่าเมื่อกี่ลดความชั่วอะไรมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเพียนพยายามกําหนดละมันไปหน่อยหนึ่งมันไม่ดับแล้วก็ยอมแพ้มันไปเลยปล่อยให้มันครอบงําจิตใจไปอย่างนี้นะ่ะท่านเรียกว่าคนที่ไม่มีความเพียน คนนั้นไม่มีความเพียรก็พ้นทุกไปไม่ได้ผู้ใดมีความเพียรผู้นั้นแหละถึงจะพ้นทุกไปได้ดังพระพุทธภาษิต ท, ทรงตรัสไว้ว่าวิริยนาทุขามัจเจติ <c oughs> ผู้มีความเพียร น, นั่นแหละถึงจะพ้นจากทุกไปได้ <c oughs> ผู้จะพ้นจากทุกไปได้ก็เพราะมีความเพียร พยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจา ก, ก จ, จิตใจเมื่อมีความเพียรก็มีสติพร้อมมีสัมปัตยัญญะรู้ตัวไปเสมอนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะ่ยท้อยที่ท้อยอาศัยกันนะแล้ ว, วันนี้ก็เอาใจจดจอ่อ เมื่ออนพิจารณาเห็นว่าการทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นทางระ ง, งับกิเลสตัณหาได้จริงๆเช่นนี้ลนะ้วก็เอาใจจดจ่อต่อข้อปฏิบัติอันนั้นไม่ท้อไม่ถอยเออเลื่อยไปอย่างนี้นะไม่ทอดทุระในการงานอันสาคัญสาคัญนะงานภาคพนีนละกิเลสตัณหานี่นะเป็นงานสำคัญที่สุดในโลกนี้ ไม่มีการงานอื่นใดที่จะไปสำคัญเท่ากับการงานฆ่าเคลียรไม่ยามละกิเลสตัณหานี่ไม่มี <c oughs> งานที่เขาคิดคน้นเครื่องใช้ไมสอยต่างๆเช่นคิดสร้างเครื่องบินสร้างรถยนต์นกลไกต่างๆสร้างอาวุธวิเศษต่างๆนี้เขากลัวงานยากเต็มทนเลย ละเอียดมากทีเดียวแต่แล้วเมื่อว่าพิจารณาโดยเหตุผลแล้วยังสู้งานลักกิเลสไี้ไม่ได้งานลักกิเลส้ยังละเอียดกว่างานที่เขาสร้างอาวุธปรมาณูนั่นซ้ําอีกเพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่ากิเลสนี้มันไม่มีรูปร่างอะไรเลย ส่วนว่างานสร้างอาวุธอันมาหาปลายโลกอย่างว่านั้นมันมีรูปร่างนีอมันมีรูปมองเห็นด้วยตาอย่างนั้นเมื่อจิตคิดได้ว่าเอาอันนี้ประกอบกับอันนี้เอาอันนี้ประกอบกับอันนี้เข้าไปเห็นเห็นาจะได้ผลพ อ, อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ลงมือประกอบเข้าไปเมื่อประกอบเข้าไปแล้วก็ทดลองดู เมื่อมันยังไม่ให้ผลเอาก็คิดต่อไปอีกไปอย่างนั้นไอ้ความคิดทางโลกเั่นน่ะคิดความคิดทางโลกนั่นเขาคิดเอาความคิดในทางธรรมถ้าคิดสูงขึ้นไปแล้วไม่มีไม่มีคิดว่าจะเอาอะไรเลยมีแต่จะคิดทิ้งมันไปหมดเลยเฮมันมันหันหลังให้กันอย่างนี้นะความรู้ความคิดในทางโลกกับทางธรรมน่ะมันแตกต่างกันน่ะ ก็ต้องให้เข้าใจว่ายอย่างนี้ <c oughs> คุณธรรมเหล่านี้แหละมันจําเป็นต้องได้บําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจถ้าไม่บําเพ็ญอิธิบาส ท, ทำทั้งสีนี้ให้เกิดในใจแล้วผู้นั้นก็กลายเป็นคนอ่อนแอเฉยชาทําความดีไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าไม่มีฉันทะ อยู่ในใจเลยมันคิดว่าจะทำความดีเท่านี้แหละใจมันอ่อนลงไปแล้วใจมันอ่อนลงไปแล้วมันท้อใจแล้วเพราะมองไม่เห็นเหตุผลแห่งความดีที่ท่านแนะนำให้กระทำนั้นมองไม่เห็นเหตุผลด้วยตนเองเหตุตางนั้นมันยึงทำความดีขั้นสูงขึ้นไปไม่ได้เลย ต่อเมื่อผู้นั้นน่ะมีฉันทะพอใจรักใครในการประกอบความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาเพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุคคลที่เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี่ไม่ใช่อะไรอื่นไกลามาทําให้เป็นทุกข์ก็วดวงจิตของคนเราเนี่ยมันสร้างกิเลสขึ้นออสร้างกิเลสขึ้นแล้วกิเลสมันก็ บรรดาให้คนเราไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้เนี่ยผลแห่งกรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เดืดร้อนนี่แล้วจะไปโทษใครอยู่นั่นตัวเองไปสร้างกิเลสขึ้นมากิเลสนั่นมันมีทั้งส่วนดีส่วนชั่วบวะนี้นะออย่างตัณหาอย่างนี้นะอ้าตัณหาความอยากความอยากได้ดีก็มีอืม ความอยากทําความชั่วก็มีอย่างนี้แหล ะ, ะความอยากได้บุญผู้ใดอยากได้บุญขวนายในทานแบบนี้อ่าเป็นอย่างนั้นขอนายในทานการกุศล ต, ต่างๆอยากได้บุญขอนายในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยากได้บุญขอนายในการไหวพระภาวนาเจริญธรรมฐานวิปัสสนาชำระใจที่เศร้าหมองให้คล่องใส ปาเจจากกิเลสบาประท ม, มันก็ได้บุญสูงขึ้นไปโดยลําดับอย่างนี้ก็อาศัยความอยากนั่นแหละเป็นมูลเหตุบุคคลผู้ที่มีโมหะอาวิชชาครอบงําจิตใจเข้าแล้วอย่างนี้ความอยากมันจะไม่ไปทางดีแล้วบ่านี้เพราะมันมีอวิชชาเป็นคู่เป็นเครื่องนําทางบ่านี้มันก็ทําให้อยากไปในทางชั่วนั่นแหละ อยากฆ่าสัตว์อยากรักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาดอยากลืมสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆอันวุคนที่จะไปซ่้งเสพความชั่วต่างๆดังกล่าวมานี่ก็เพราะว่าปล่อยให้โมหะอวิชาครอบงำจิตใจปล่อยให้ความอยาก อันเป็นฝ่ายชั่วนะครอบงําจิตใจจนว่ากิเลสเหลนะ่านั้นมันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของผู้ น, นั้นเลยเลยใจของผู้นั้นเลยไม่มีอํานาจอะไรไม่มีกําลังอะไรที่จะมาละตันหานั่นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เพราะมัวเมาประมาทปล่อยให้ตันหามันครอบงําจิตมากๆเข้าไป แล้วเช่นนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างนักโทษนั่นแหละเมื่อทำผิดลงไปแล้วก็มันจาเป็นเนตัวทำผิดแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องมีสิทธิจับกุมได้เมื่อจับกุมไปฟอ้องร้องศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามันทำผิดจริงพระตัดสินลงโทษไปจำคุกเขาก็บังคับให้อยู่ในที่จำกัดนั้น ไม่ให้เที่ยวไปสเปะสปะอะไรเลยทุกยากลำบากในก็ต้องอดกันทนทานอยู่นั่นแหละไปทำยังไงตนมันทำผิดมาแล้วนี่นั่นเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราเนะมือม่อวมอมาปฏิสสมกิเรตัณหาบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้ววันนี้พอมารู้ตัวได้เห็นโทษของมัน คิดว่าจะละมันธนีมันไม่ยอมมันมีที่พลนเหนือจิตใจแล้วมันก็บังคับจิตของผู้นั้นไม่ให้ยินดีในการทำความดีเลยผู้นั้นก็ทำความดีไม่ได้จริงๆเพราะมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะคิดดูให้ดีสำหรับผู้ไม่ประมาทแล้วนะอืม ตั้งสันทะความพอใจในบุญในกุศลในการภาคเพียรพยายามที่จะละกิเลสตัณหาเนี่ยให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเรื่อยไปเนี่ยอหมายความว่ามีความพอใจในการกระทําความดีนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วก็ภาคเพียรพยายามทําความดีไปตามที่ตนพอใจตามที่ตนพิจารณาเห็นแล้วว่าถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ พ็ดำเนินเลื่อยไปอันนี้ที่แลตบาปธรรมเหล่านั้นมันก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะแทรกแซงเข้ามาได้เพราะว่าใจของเรามันหนักไปในทางบุญกุศลแล้วเพราะว่าใจมีดวงเดียวเมื่อน้อมไปทางบุญแล้วมันก็ห่างจากทางบาปมันเป็นอย่างนั้นเมื่อน้อมไปทางบาปมืองม า, มาเข้าไปมันก็ห่างทางบุญ มันมันไม่ใช่ว่ามันจะทาพร้อมกันไปได้ไม่ใช่ไม่แล้ว ม, มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะวันนี้ผู้มีปัญญาผู้ฉลาดอะ่ะเมื่อมองเห็นว่าบุญเท่านี้แหละจะช่วยเราให้พ้นทุกได้บาปนี้จะจะ จ, จูงไปสู่ทุกก็ทิ้งบาปเท่านั้นเลยบันนี้นะอธิษฐานใจเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเราจะไม่ทำต่อไปเด็ดขาดเลยตายบินตายเหมอ สิ่งได้เป็นบุญกุศลเราจะทําในสิ่งนั้นอาชีพอันใดบริสุทธิ์ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราจะทํามาหาเลี้ยงชีพยยแบบนั้นแม้จะได้ไม่มากก็ตามได้เท่าไรก็จะอินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจะไม่ทะเยอทยานเกินเกินนั้นไปอืม เมื่อได้อธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้แล้วตั้งความภาคเพียนพยายามลงไปเส้นนี้นะบุญกุศลมันก็จเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของคุณนั้นโดยแท้เพราะว่าผู้นั้นไม่ไม่สร้างบาปมาแทรกแซงมันก็ได้แต่บุญล้วนๆทนะี่ที่ท่านกล่าวว่าทานังเมปริสุทังอาสาวัคยาวหังโหตนะุนั่นน่ะ ทานของเรานี่บริสุทธิ์แล้วโหนทานของเรานี่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสาวะไขอดับไปแห่งอาทวะกิเลสทั้งปวงก็มันก็เป็นไปได้อย่างจริงแหละในเมื่อตอนไม่น้อมใจไปในทางบาปอากุศลแล้วแต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังควบคุมจิตอยู่เสมอ ไม่ให้มันตกไปในทางบาปอกุศลอย่างนี้นะเช่นไม่ให้มันคิดโลภเล่งเพ่งเลีงอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนอแล ะ, ะพยายามควบคุมไม่ให้จิตมันโกรธมันฉุนเสียวในเมื่อเวลามีใครกระทบกระทั่งมาในทางที่ไม่ดีก็ระมัดระวังห้ามจิตของตนไว้อย่าให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่ ยินร้ายหรือว่าโกรธชุนเิี่ยวอย่างนี้แหละมีสติสมบัติชัญญยะระวัตระวังจิตใจมาให้มันหลงไม่ให้มันเมาเมาความคิดความนึกตัวเองคนเรานี่ชอบเมาความคิดตัวเองนะีอยู่ไปทําอะไรไปใจกายนั้นทํางานอย่างนั้นไปแต่ใจมาคิดไปเรื่องอื่นนู่น หรือไม่ได้ทํางานอะไรนั่งเฉยก็นั่งคิดแบบนี้คิดเพลินไปตามอารมณ์ที่มันนึกได้นึกได้อันใดก็คิดไปอันนั้นเพลินไปเมาไว้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกไม่คํานึงคว้าได้เรื่องใดก็ว่ากันไปอันนั้นแหละท่านในว่าหลงว่าเมานี่ทีนี้พวกที่มีสติสมบัติเนี่ยคอยระมัดระวังตนอยู่เสมอ แล้วระมัระวงังจิตใจนี้ไม่ให้หลงไม่ให้เมาไม่ให้มันคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆกําหนดรู้กําหนดเห็นร่างกายสังขารอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่อย่างนั้น เ, ออเห็นแล้วเห็นอีกเห็นสังขาร น, นามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่งั้น เกิดความพอใจในความรู้ความเห็นอนันต์ว่าความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเป็นความรู้ที่ถูกทางเป็นทางดำเนินพ้นให้พ้นไปจากทุกได้โดยแท้เพราะว่าเป็นอุบายละอุปทานในขันห้าให้น้อยเบาบางออกไปหรือว่าให้หมดไปสิ้นไปจากคิดใจโดยแท้จริงดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้